จริงธรรมะเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นของคนไทยนะธรรมะก็เป็นของชาวพุทธทุกคนชาวพุทธจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็เป็นชาวพุทธได้มันเป็นของกลางเพียงแต่บรรพบุรุษเราเก่งในการรักษาสืบทอดมาจนมาถึงรุ่นเราเริ่มตั้งแต่ยุคพระเจ้าอโศกส่งพระมาส่วนภูมิส่วนภูมิอยู่ไหนก็ไม่รู้หรอกอาจจะอยู่พม่า ก, ก็ได้ แต่ว่าธรรมาสายนี้แพร่เข้ามาสมัยในการที่สี่ที่ท่านไปบวชกับพระมร น, นั่นมาอีกสายหนึ่งไม่ใช่สายพระโสาอุตระเป็นสายพระมหินลูกชายพระเจ้าสศกที่ไปเผยแพร่ที่ลังกาคนละสายกันรักเงาก่นเดียวกันทางเมืองจีนศา ส, สนาพุก็เข้าไปนานแล้วมีหลักฐานเข้าไปตั้งแต่ นานมากเมื่อเขเจริญรุ่งเรืองมีนิกายต่างๆเยอะแยะเลยสมัยและช่วงถังท่านตักหมอไปไปแพร่นิกายเซนชาญเข้าไปและในเมืองจีนนะหลากหลายกว่าเมืองไทยอีกมีนิกายต่างๆมากมายในเมืองไทยทุกวันนี้ก็ ดูว่ามีสองนิกายต์ทำายุกับมหานิกายจริงแล้วหลักทำมันเดียวกันหลักธรรมะเหมือนกันเปรียบเลยเขาใช้พระไตรปิฎกเล่มเดียวกันแต่ว่ามันก็มีนิกายแฝงปลอมปนเข้ามาอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยคนส่วนใหญ่แยกไม่ออกด้วยซ้ําแบบว่าไหนเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอันไหนไม่ใช่ <pouch. S 2> อย่างทุกวันนี้คนเชื for for ่อว่านิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งพระเจ้านิพพานแล้วเนยไปอยู่ในโลกโลกหนึ่งในโลกนั้นเต็มไปด้วยพระพุทธเจ้ามากมายอยันนี้ก็ไม่ใช่คําสอนดั้งเดิมของเทรวาสนิพพานของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นโลกโลกหนึ่งถ้ามันยังเป็นโลกโลกหนึ่งก็ยังมีเกิดมีดับที่ใดยังมีความเกิดอยู่ที่นั้นก็มีความทุกข์อยู่ไม่ใช่นิพพานตัวจริง ในีผ่านตัวจริงในทางพระพุทธศาสนาเทราวาทแท้ๆเลยคือสภาวะ ท, ที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากสภาวะ ท, ที่จิตสิ้นความอยากนั่นเป็นนมามธรรมนะไม่ใช่เป็นรูปธรรมเป็นบ้านเป็นเมืองมีพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่บ้างนั่งเก้าอี้อยู่บ้างเต็ไมไปหมดเลยอันนั้นไม่ใช่คําสอนของเทราวาทแล้ว เป็นสิ่งที่ปลอมปนเข้ามาพระนิพพานคือสภาวะที่สิ้นสิ้นตัณหาเมื่อไหร่ที่ใจเราพ้นจากตัณหาได้พ้นจากความอยากได้ใจจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงก็ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุให้เกิ ด, กดความทุกข์ดังนสิ่งที่เราจะมาเรียนก็เรียนว่าทํายังไงจะสิ้นตัณหาได้ เรอเราจะมาเรียนเพื่อให้ถึงตรงนี้ถ้าสิ้นตัณหาได้มันก็สิ้นทุกข์ได้ไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาว่านิพพานอยู่ที่ไหนก็ถ้าสิ้นทุกข์ตรงไหนนิพพานก็อยู่ตรงนั้นแหละ ใ, หใจเข้าถึงความบริสุทธิ์ถึงความหลุดพ้นเมื่อไหร่ก็สัมผัสนิพพานอยู่ตรงนั้นเลยเวลาที่เราจะเข้าใจพระนิพพานเข้าใจได้ในขณะจิตเดียว ในฉับพลันเท่านั้นเองอ น, นิพพานไม่ได้เกิดจากความค่อยๆเข้าใจเราปฏิบัติค่อยๆปฏิบัติสะสมไปทุกวันแต่ในภาวะที่จะทำลายตัณหานะทำลายในขณะจิตเดียวเองงั้นเราจะสัมผัสนพิพพานในช่วงขณะจิตเท่านั้นเองในฉับพลันไม่ใช่ค่อยๆสัมผัสเราจะสัมผัสได้โดยฉับพลัน เราจะเข้าสัมผัสพระนิพพานได้โดยฉับพลันไดนะ้ก็คือสภาวะที่เราดับตัณหาได้ในฉับพลันนั่นเองเราก็ต้องศึกษาต่อไปอีกว่าตัณหาซึ่งเป็นตัวทุกข์นั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นมันมาจากไหนความอยากมันเกิดจากความไม่รู้มันรากเหง้าของปัญหาทั้งหลายแหลนะคือตัวอวิชชาหรือความไม่รู้ เพราะอิชามีอยู่ตัณหาก็ยังมีอยู่ได้ถ้าทำลายอวิชาไปตัณหาก็ไม่เกิดตัณหาก็ไม่เกิดอีกไม่ต้องทำลายตัณหาเพราะอะไรตัณหาเกิดได้ตัณหาก็ดับได้ไม่ต้องทำลายมันมันก็ดับโดยตัวของมันเองได้แต่มันเกิดใหม่ได้อีกถ้าเราทำลายรักเง่าคือความไม่รู้ได้ตัณหาจะไม่เกิดเพราะคาว่ารัสมุทัยนี่ยมันเลยมีละสองแบบ ละเป็นคราล์กับละสิ้นเชิงโดยที่มันไม่เกิดขึ้นใหม่ตรงที่ทำให้มันไม่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นการละที่เด็ดขาดที่แท้จริงการละในอริยมรรคแท้จริงเลยทำไมเราไม่ต้องไปละตันหาตันหาเกิดแล้วตันหาก็ดับไม่มีหรอกตันหาที่อมะตะแต่เราทำลายความไม่รู้ลงไปก็ทำลายความไม่รู้ลงไปได้ตันหาไม่เกิดอีก เมื่อตัญหาไม่เกิดก็ไม่ต้องละไม่มีธุระอะไรจะต้องทำไม่มีงานที่จะต้องทำอีกเพราะศัตรูของชีวิตจิตใจเราเนั้นมันไม่เกิดขึ้นมาไม่มีภาระที่ต้องต่อสู้อีกต่อไปเัืงศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะี่ยลึกซึ้งมากนะถ้าเราทำลายลากเน่าคือความไม่รู้ซึ่งตัวเดียวเนี่ยภารกิจทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาก็จบลงตรงนั้นเลย จบลงเมื่อทำลายความไม่รู้สําเร็จเพราะตัณหาไม่เกิดอีกแล้วก็ไม่มีทุกข์ที่จะต้องแก้ปัญหาอะไรอีกต่อไปไม่มีทุกข์อีกต่อไปงั้นเราจะค่อยๆทําความเข้าใจไปเราปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ความทุกข์มีเหตุคือตัวตัณหาตัวความอยากตัณหามีเหตุคือตัวไม่รู้ความไม่รู้คือตัวอวิชชา ยันพระเมรยวิชาก็มีตัณหาก็มีตัณหามก็มีทุกข์เราจะทุ่มเทความสามารถของเราเข้ามาทําลายความโง่ในใจของเราถ้ามันทําลายความไม่รู้ในใจของเราความไม่รู้เหมือนความมืดเมื่อความมืดถูกทําลายไปความสว่างก็เกิดขึ้นเองาการที่จะทําลายความไม่รู้ได้มีเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้เรา ก็คือเครื่องมือหาความรู้กระบวนการหาความรู้มีชื่อเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนี้เป็นกระบวนการนะเป็นกระบวนการหาความรู้มาทำลายความไม่รู้สิ่งที่พวกเราลงมือปฏิบัติกันก็คือวิปัสสนากรรมฐานนี่คืองานหลักแต่จะทำวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวนั้นทายัางไม่ไหว มันเหนื่อยการใช้สติปัญญามากก็เหนื่อยเวลาเหนื่อยขึ้นมาเราก็ต้องพักผ่อนงานพระพุทธเจ้าก็สอนกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งคือสมถกรรมฐานงานหลักของเราคือการเจริญปัญญาทำลายความไม่รู้เรียกว่ามีปัสนากรรมฐานงานสนับสนุนที่ทำให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงก็คือสมถกรรมฐาน เราจะเรียนกรรมฐานสองอย่างสมถ ก, กรรมฐานเรียนเพื่อให้จิตใจได้พักผรมีเรี่ยวมีแรงวิปัสสนากรรมฐานเราจะพาจิตใจที่มีเรี่ยวมีแรงดีแล้วนีมาเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงเพื่อทําลายความโง่ทําลายความโง่ได้ความอยากคือตัณหาจะไม่เกิดอีกเมื่อปราศจากตัณหาความทุกข์จะไม่มีอีก ไม่เป็นกระบวนการทั้งหมดเลยที่เราจะเรียนกันหลวงพ่อให้ภาพกว้างๆ ก, ก่อนภาพกว้างๆ ว, ว่าเราจะภาวนานะให้หมดความทุกข์ความทุกข์มีต้นเหตุคือตัณหาความอยากความอยากมีต้นเหตุคือความไม่รู้หรือความโง่หรือตัวอวิชชาเครื่องมือที่จะทําลายความไม่รู้นะ่ยชื่อวิปัสสนากรรมฐานคือการเจริญปัญญา แต่วิปัสสนากรรมฐานทําอย่างเดียวนี่มันจะเหนื่อยก็ต้องได้พักผ่อนบ้างก็มีเครื่องมือชื่อสมะถะกรรมฐานเรื่อเป็นขั้นขั้นไปนะเพรานัาจะเรียนทั้งสมถะทา้งวิปัสสนาแหละถ้าถ้าเรียนได้อย่างเดียวก็ต้องเรียนวิปัสสนาแต่ว่าถ้าไม่มีสมถะจะเรียนวิปัสสนาลําบากจะเหนื่อยมากเลยใจจะแห้งแล้ง เราปฏิบัติเพื่อพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงเลยไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วความทุกข์เกิดจากความอยากเวลาใจเรามีความอยากเกิดขึ้นใจจะถูกบีบคันไม่ว่าจะอยากอะไรนะใจถูกบีบคั้นทันทีเลยคนทั่วไปที่ไม่ได้ภาวนาเนี่ยมองตรงนี้ไม่ออกเขาจะมองว่าถ้ามีความอยากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากถึงจะมีความทุกข์ถ้ามีความอยากแล้วได้สิ่งที่อยากมา ก็มีความสุขเนี่ยคนทั่วไปจะเห็นแค่นี้แต่เราจะมาเจริญสติเจริญปัญญาจนเราเห็นเลยว่าทันทีที่จิตมีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นทันทีความอยากมันบีบคั้นจิตใจของเราทันทีเนี่ยถ้าเราจะพอวนานะเราะนั้นตัวความอยากเนี่ยเกิดทีไรทุกทุก ท, กทีเลยจะสมหวังหรือจะผิดหวังก็ทุกทั้งนั้นแหละแค่อยากก็ทุกแล้ว พระเจาเลบอกว่าตัวสมุทยัยตัวตัณหาตัวความอยากนีเป็นเหตุของความทุกข์ตัณหาอยู่ดีๆไม่เกิดความอยากอยู่ดีๆไม่เกิดเราต้องโง่เสีก่อนต้องมีอวิชชาความไม่รู้ดังนั้นถ้าเราทำลายอวิชชาได้ตัณหาจะไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดมันจะไม่มีความทุกข์ดั้เราจะเรียนเดินทำลาย รักเน่าของตัณหาคือทำทำลายความไม่รู้เครื่องมือที่เราจะใช้คือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนะสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสองอันนี้กรรมฐานเป็นงานของใจไม่ใช่งานของร่างกายนะกรรมฐานเป็นงานทางใจอันหนึง่งฝึกให้ใจมีความสุขมีใจสงบ ให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงเรียกว่าสมถะกรรมฐานอันหนึ่งฝึกให้ใจฉลาดเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉั้นกรรมฐานเป็นงานของใจทั้งนั้นเลยไม่ใช่งานทางร่างกายไม่ใช่เรื่องทางกายทางวาจาถ้ากายทางวาจาเป็นเรื่องของศีลนะแต่งานทางใจก็มีสองส่วนส่วนที่ฝึกจิตฝึกใจให้มีเรี่ยวมีแรงคือส่วนของสมาริหรือสมถะ ส่วนที่ฝึกให้ใจฉลาดนี่ว่าวิปัสสนางั้นศีลสมาธิทำมิปัสสนาก็คือทําปัญญาเนศะีล ส, สมาธิปัญญาศีลเป็นเบื้องต้นเป็นงานทางกายทางวาจาไม่ทําชั่วไม่เบียดเบียนคนอื่นทางร่างกายทางวาจาเบียดเบียนคนอื่นทางร่างกายเช่นทําร้ายเขาลักขโมยเขา ไปทำไปช่วงชิงคนที่เขารักนีไปโกหกหลอกลวงด่าว่าเขาทําลายเขาสี่ข้อนี้เป็นตัวหลักข้อที่หกินเหล้าเมายาเนี่ยทำลายตัวเองทําลายสติของตัวเองถ้าทํำลายสติแล้วเนี่ยก็ผิดศีลข้อหนึ่งสองสสี่งายเรื่องศีลไม่ใช่เรื่องยากเนี่ยเราเรียนเรื่องเจริญสติเจริญปัญญาแล้วศีนอัตโนมัติมันจะเกิด งั้นหงพ่อจะไม่ได้สอนเยอะจะมุ่งมาสู่กันฝึกสมถะมีปัสสนานี่เป็นงานทางใจอันหนึ่งฝึกให้ใจสงบมีเรี่ยวมีแรงอันหนึ่งฝึกให้ใจฉลาดมีปัญญาเน่ยสองงานมีเวลา10นาทีพูดถึงการฝึกให้จิตใจสงบมีเรี่ยวมีแรงก่อนนะไม่ใช่เรื่องยากอะไร พวกเราจำนวนมากชอบนั่งสมาธิคิดว่านั่งสมาธิจะให้ใจสงบบางคนก็นั่งแล้วก็สงบบางคนนั่งแล้วสลบหลับไปเลยบางคนนั่งแล้วไม่สงบเลยฟุ้งซ่านเที่ยวเห็นโน่นเห็นนี่เห็นผีเห็นเทวดาเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นสารพัดจะเห็นไม่เห็นตัวเองไม่เห็นใจไม่เห็นใจตัวเอง สมาธิแบบนั้นใช้ไม่ได้สมาธิที่เราจะฝึกเนี่ยเป็นสมาธิที่ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับตัวเองมีความสุขมีความสงบแล้วก็อยู่กับตัวเองไม่หลงลืมตัวเองให้จิตตั้งมั่นนั่นเองแ้วเราจะฝึกจนกระทั่งเราได้จิตที่ตั้งมั่นมีความสุขมีความสงบรู้ตื่นเบิกบานจิตตัวนี้เอาไว้พักผ่อนก็ได้ เอาไว้เดินปัญญาก็ได้ในจิตที่มีสมาธิที่ดีส่วนจิตที่ทาสมาธิแล้วขาดสติฟุ้งซ่านเคร่งเคออกมาแล้วเบลเๆเครึ่งหลับครึ่งตื่นออกมานะสมาธิอย่างนั้นใช้ไม่ได้สมาธิอย่างนั้นเรียกว่ามิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ผิดไม่ดีการจะทาสมาธิที่ถูกไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยถ้าเรารู้ว่าอะไรคือศัตรูของสมาธิ ถ้าเราสามารถทำลายศัตรูของสมาธิได้สมาธิก็เกิดถ้าศัตรูของสมาธิยังอยู่ทำยังไงสมาธิก็ไม่เกิดสิ่งที่เป็นศัตรูของสมาธินะพูดง่ายๆที่สุดเลยก็คือความฟุ้งซ่านในใจเรานี่เองใจเราจะฟุ้งซ่านตลอดเวลาใจฟุ้งซ่านเป็นยังไงใจฟุ้งซ่านนะเดี๋ยวกูวิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟัง เดี๋ยวก็วิ่งไปคิดความจริงไม่ได้วิ่งแค่สมช่องแต่วิ่งได้หกช่องช่องทางที่จิตจะหนีไปเที่ยวนะีมีทั้งหกช่องคือตาหูจ ม, มกูกลิ้นกายใจหช่องทางจิตหนีไปทางตาเพื่อไปดูรูปจิตหนีไปทางหูเพื่อไปฟังเสียงจิตหนีไปทางจ ม, มูกเพื่อไปดมกลิ่น จิตนี้ไปทางลิ้นเพื่อไปรู้รสจิตนี้ไปที่ร่างกายเพื่อไปรู้สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายจะเป็นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวสิ่งเหล่านี้เย็นร้อนหนึ่งคู่อ่อนแข็งตึงไหวนี่อีกอย่างละคู่รวมแล้วมี3ามอย่างที่มาสัมผัสทางร่างกายแล้จิตหลงไปทางใจไหลไปทางใจไปรู้เรื่องราวที่เราคิดนึกปรุงแต่ง จิตไหลได้หกช่องทางแต่ช่องทางที่ไหลบ่อยที่สุดคือไหลไปคิดไหลไปทางใจเนี่ยไหลไปคิดบ่อยที่สุด mm hmm. พวกเราลองหลับตาซิหลับตานะหลับตาดูว่าจิตคิดได้ไหมหลับตาแล้วจิตยังคิดได้ไหมหลับตาแล้วจิตก็ยังคิดได้เอามืออุหูจิตก็ยังคิดได้อุดจมูกจิตก็ยังคิดได้งนั้นจิตที่คิดเนี่ย เป็นจิตที่ไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเลยอาศัยใจอย่างเดียวก็คิดได้ล้จิตที่คิดเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดในบรรดาจิตที่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตที่ไหลไปในโลกของความคิดมีบ่อยที่สุดตื่นนอนมาเราก็คิดคิดไปทั้งวันคิดจนกระทั่งหลับหลับแล้วเราก็คิดต่อเรียกว่าฝันคิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดทั้งตอนตื่นคิดทั้งตอนหลับ ใจมันไหลไปตลอดเวลามันฟุ้งซ่านไปตลอดเวลาไหลไปดูรูปไหลไปฟังเสียงไหลไปดมกลิน่นไหลไปรู้รสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดนึกทางใจจิตที่ไหลไปไหลมานะสเปสปะตลอดเวลาเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับกันไปสลับกันมาเวลาคิดก็เดี๋ยวคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้าย สลับไปสลับมาตลอดเวลาเลยจิตไม่เคยพักอยู่ในอารมณ์มันเดียวเรียเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านคือมันเที่ยวแสวงหาอารมณ์ตลอดเวลามันหิวอารมณ์นะมันอยากรู้อารมณ์มันอยากดูรูปมันอยากได้ยินเสียงมันอยากได้กลิ่นได้รสได้สมัมผัสทางกายอยากคิดนึกทางใจมันหิวตัวหิวอารมณ์นี่แหละตัวตัณหาล่นะจิงก็ฟุ้งออกไปเช่นเราเดินเดินอยู่นะเราได้ยินเสียงอะไรมาข้างหลังเรา มันได้ยินเสียงเนี่ยอยากดูว่ามีอะไรหันไปดูเวลาไปดูขณะที่เราดูรูปเรารู้ว่าสิ่งที่ดูนั่นคืออะไรแต่ขณะนั้นเรามีร่างกายเราลืมร่างกายตัวเองเรามีจิตใจเราลืมจิตใจตัวเองงั้นในขณะที่ฟังเสียงมีร่างกายเราก็ลืมร่างกายมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจเรารู้แต่เสียงในขณะที่ได้กลิ่นมีร่างกายเราก็ลืมร่างกายมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจ เรารู้แต่กลิ่นเวลารู้รสหรือ ร, รู้สิ่งที่สัมผัสทางร่างกายหรือเรื่องราวที่เราคิดทางใจเราก็ลืมร่างกายลืมจิตใจเรามวัวแต่รู้รสรู้สิ่งที่มาสัมผัสกายเรารู้เรื่องราวทางใจเนี่ยจิตจะกระโดดไปจับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมั่วไปทั้งวันเลยอย่างรวดเร็วมากไปลองทดสอบด้วยการดูโทรทัศน์ทีวีดูทีวี ในขณะที่เราดูทีวีนะเป็นเดียวตาเราก็ดูเป็นเดียวหูเราก็ฟังเป็นเดียวใจเราก็คิดสามอย่างนี้สลับกันอยู่ตลอดเวลาในขณะดูจะฟังไม่ชัดในขณะฟังจะดูรูปไม่ชัดในขณะที่คิดจะดูรูปก็ไม่ชัดจะฟังก็ไม่ชัดมันชัดได้ช่องเดียวแต่มันสลับกันอย่างรวดเร็วในขณะที่เห็นรูป ก็ไม่ได้ยินเสียงในขณะที่ได้ยินเสียงไม่เห็นรูปในขณะที่คิดไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงธรรมชาติของจิตทำงานได้ครั้งละอันเดียวแต่มันทำสลับกันอย่างรวดเร็วเลยเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นนะจิตทำงานพอมันไปดูทางตาเราก็หลงลืมตัวเองลืมกายลืมใจของตัวเองมันไปฟังเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองมันไปคิดเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองมันหลงตลอดเวลา การที่จิตจับอารมณ์ทางโน้นทีทางนีท้ทีเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านทําไมจิตถึงฟุ้งซ่านนะจิตมันฟุ้งซ่านได้ความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสนะเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเรียกว่าโมหะเป็นกิเลสตระกูลโมหะความฟุ้งซ่านจิตใจของเราโดยปกติแล้วจะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านตลอดเวลา ไม่จําเป็นต้องดูนะมันก็อยากดูไม่จําเป็นต้องฟังมันก็อยากฟังไม่จําเป็นต้องคิดมันก็อยากคิดจะฟุ้งไปถ้าจําเป็นต้องดูแล้วไปดูไม่เรียกว่าฟุ้งสั้นจําเป็นต้องฟังแล้วไปฟังไม่เรียกว่าฟุ้งสั้นจําเป็นต้องคิดแล้วไปคิดไม่เรียกว่าฟุ้งสั้นอันนี้ทำมั่วซั่วไปเรื่อยเวลาคิดก็คิดไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างลืมกายลืมใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน การที่จิตไม่อยู่กับปัจจุบันจิตไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่นี่ไม่ว่าจิตฟุ้งซ่านถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั้นจิตจะไม่ฟุง้งซ่านตัวนี้เป็นหลักที่สําคัญมากนะเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตฟุง้งซ่านเมื่อนั้นจิตจะไม่ฟุง้งซ่านเมื่อไหรจิตไม่ฟุ้งซ่านเมื่อนั้นจิตสงบจิตมีสมาธิอัตโน ม, มัติเลยความฟุง้งซ่านมันแพ้อะไรอย่างหนึ่งมันแพ้สติสติเป็นตัวรู้ทัน ถ้าเราสามารถรู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านได้ใจจะสงบอัตโนมัติเลยจะมีสมาธิอัตโนมัติงั้นทําังไงเราจะรู้ทันว่าใจฟุง้งซ่านเราต้องฝึกอยู่ๆจะให้มันรู้ตัวขึ้นมาได้มันไม่รู้หรอกเพราะมันเคยชินที่จะฟุง้งซ่านวิธีที่จะฝึกนะให้เราทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่เราถนัด เช่นจะรู้ลมหายใจจะบริกรรมจะสวดมนต์ถึงเจ้าแม่กวนอิมนะหรือจะอะไรก็ได้จะรู้ลมหายใจจะเดินจงกรมนะจะขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ใช้ได้หมดแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตสงบให้ทำเพื่อรู้ทันว่าจิตฟุง้งซ่านเช่นเราหายใจออกรู้สึกตัวอยู่หายใจเข้ารู้สึกตัวอยู่หายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทัน เราหายใจนะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมลมหายใจละเรารู้ทันทันทีที่รู้ทันจิตจะเลิกหนีไปจิตจะอยู่กับตัวเองสมาธิจะเกิดขึ้นในฉับพลันนั้นเลยยิ่งแค่จิตไม่ฟุ้งซ่านสมาธิก็เกิดเรียบร้อยแล้วเราต้องฝึกหัดรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านบ่อยๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตฟุ้งซ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟุ้งไปคิดเกิดบ่อยที่สุด เช่นเราหันบริกรรมพุโทโธพุธโทโธจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันหรือจะบริกรรมอย่างอื่นก็ได้ไม่ถือไม่เลือกได้ทั้งหมดแต่อย่าไปบริกรรมด่าคนนะอะไรก็ได้บริกรรมด่าเขาทั้งวันเลยอย่งนั้นไม่ได้จิตฟุ้งซ่านต้องเอาที่ดีๆหรือเรามาดูร่างกายเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าถ้าจิตนีไปจากการรู้ลมหายใจรู้ร่างกายหายใจเรียกจิตฟุ้งซ่าน เราดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกรู้สึกอยู่ดีๆแอบหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วให้รู้ทันที่หลวงพ่อเตียนสอน14บสี่ังหวะนะก็เพื่อให้รู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบนะเพาเรามีสติรู้ทันท่า น, น, นจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนที่หลวงพ่อคำเขียนสอนหลวงพ่อคำเขียนสอนถูกนะอันถูก ขยับมือไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบแต่ขยับมือแล้วถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้ทันเรารู้ทันเนี่ยท่านบอกคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวหนูวิ่งออกมาให้ใจมันคิดเรารู้ทันคืมีสติรู้ทันเหมือนแมวจับหนูเลยไม่ใช่ว่าห้ามคิดไม่ห้ามเลยนะห้ามคิดไม่ได้เพราะจิตมีธรรมชาติต้องคิดดังนั้นทำกรรมาฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิด รู้บ่อยๆทําทุกวันอย่าไปห้ามว่าห้ามคิดนะให้มันคิดแต่มันคิดแล้วรู้ทันว่ามันคิดคิดแล้วรู้ว่าคิดคิดแล้วรู้ว่าคิดฝึกอย่างนี้เรื่อยๆทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตที่มีสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะตอนนี้หมดเวลาแล้วล่ะได้เวลากินข้าวเอาเท่านี้ก่อนนะอย่าไปกินข้าวก็คอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะเช่นมันคิดอยากกินอันนี้รู้ทันอะไรเงี้ยนี่หมดเลยครับ